ที่นี่เราตื่นเช้านะเราต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์แล้วก็ตื่นก่อนพวกนกกาทั้งหลายแต่อาจจะตื่นทีหลังไก่นะไก่ไมันตื่นเช้ามากนะการที่ตื่นเช้าเช้าอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ช่วย ในเรื่องของจิตใจเราโดยพอถ้าเราเริ่มคุ้นเคยใหม่ๆก็จะงวงเงียแต่ว่าพอปรับตัวได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ดีสําหรับการภาวนาเราอาจจะทราบว่าพระพุทธองค์บรรลุอรหัตผลเป็นพระพุทธเจ้าก็ในช่วงนี้แหละเขาเรียกยามสุดท้ายยามสามยามสุดท้าย เพราะว่าเป็นช่วงที่จิตของคนเราเนี่ยปโปร่งโลง่งอาจารย์พุทธทาสท่านเปรียบว่าช่วงนี้เหมือนกับจิตของเราเนี่ยจิตของเราเหมือนกับแก้วน้ําที่ว่างแก้วน้ําที่ว่างความคิดยังไม่แล่นมากถ้าเราตื่นสักพอสว่างแล้วเนี่ยจะรู้สึกกระฉับกระเฉงปราดเปรียว แต่ในเวลาเดียวกันก็จิตก็จะคิดได้ปราดเปรียวว่องไวเหมือนกันความฟุ้งซ่านก็อาจจะเกิดขึ้นง่ายแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจิตของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นในด้านหนึ่งก็ยังว่างอยู่ยังไม่มีอะไรม า, ามาทําให้มันเต็มแต่ในด้านหนึ่งก็ไม่ฟุ้งมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ พิจารณาหรือการเจริญสติทาสมาธิก็จะง่ายขึ้นนะโดยเพราะเมื่อเราเริ่มคุ้นเคยแล้วนะความง่วงจะไม่ครอบงำจิตก็จ ะ, ะปฏิบัติได้ดีขึ้ น, นก็ให้เราลองอพยายามตื่นให้เชา้าแล้วก็มาทำวัดนะโดยเพราะถ้าเรามาทำร่วมกัน นะความตื่นก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายกว่าเวลาเราทำคนเดียวที่กุตตินะมันก็จะงวงเงียจะพอมาปฏิบัติร่วมกันความรู้สึกตื่นของเพื่อนๆ เ, เราก็จะส่งผลให้เราตื่นตามไปด้วยและความตื่นของเราก็จะส่งผลต่อเพื่อนของเรากลับไปกลับมาอย่างนี้นะเมื่อการทูบเนี่ยเชนถ้าถ้าจุดดอกเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอ หลายๆดอกเนี่ยมาจุดด้วยกันแล้วก็ม า, มาอยู่ด้วยกันมามัดไว้ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มความร้อนให้เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถจะลุกเป็นเปลวได้ต่างส่งความร้อนให้แก่กันและกันนะมนุษย์เรานี่ก็สรางต่างส่งผลให้แก่กันและกันโดยที่เราอา จ, จะไม่รู้ตัว ทั้งในทางดีและในทางไม่ดีในทั้งในทางกุศลและอกุศลถ้าเราอยู่ใกล้คนที่เขาหดหู่เศร้าหมองใจเราก็พลอยหมองไปด้วยแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่เขามีความสุขเขามีความแช่มชื่นเบิกบานใจเราก็พลอยอเบิกบานไปด้วยถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีสติมีความตื่น เราก็จะรู้สึกตื่นแล้วเราก็จะระมัดระวังตัวหรือรู้สึกตัวได้ดีขึ้นและความรู้สึกตัวของเราก็ส่งผลให้กับคนอื่นเพาะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาเราปฏิบัติคนเดียวกับปฏิบัติกับหลายคนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันทีเดียวไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยการเจริญสติหรือว่านั่งสมาธินั่งสมาธิกันเป็นกลุ่มเนี่ยจะรู้สึกว่านั่งได้ดีนั่งได้นานความง่วง รบ ก, กวนน้อยแต่ถ้าทำคนเดียวเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้นานแล้วก็อาจาจะแพ้ยอมแพ้ความเมื่อยความปวดหรือว่าความเบื่อซยก่อนอเพราะนั้นการมาปฏิบัติร่วมกันรวมทั้งการมาสวดมนต์ธมวัดร่วมกันนี่เป็นของดีเมื่อกี้เราก็สวด น, น ะ, ะเรื่องอรีมักมีองแปด อริมุมีองค์แปนี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาอยู่บ่อยนะโดยเพราะคนที่คุ้นเคยธรรมะแต่ว่าถ้าเราสวดมนต์และเราเปิดใจให้สดให้ใหม่บทสวดที่เราสวดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่ซ้ำเดิมเลยแม้จะสวดบทเดียวกัน เราจะได้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอสวดร้อยครั้งสวดพันครั้งแม้สวดบทเดิมแต่ว่าสวดด้วยความรู้สึกสดด้วยความรู้สึกใหม่คือด้วยใจที่เปิดกว้างอยู่เสมอก็จะได้ง่ายคิดจะได้ข้อเตือนใจอยู่เรื่อยๆนะอันนี้นนเช่นเดียวกับเวลาเรา เดิสติเราตามลมหายใจเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะแม้มันจะเป็นจังหวะเดิมแม้มันจะเป็นทางจงกรมเดินแม้มันจะเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่สองจังหวะเดิมเดิมแต่ว่าถ้าเราทําด้วยใจที่สดที่ใหม่ที่อยู่กับปัจจุบันอยู่เสมอมันจะไม่ใช่ของเดิมมันจะไม่ใช่เป็นความซ้ํำซากมันจะเป็น ลมหายใจที่ใหม่เสมอมันจะเป็นการเดินการเคลื่อนมือที่ใหม่เสมอแม้แต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราอาจจะเป็นความเบื่อเดียวกันดูเหมือนเป็นความเบื่ออย่างเดียวกันกับเมื่อวานความโกรธที่เกิดขึ้นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นอาจจะเหมือนกับเป็นอารมณ์เดียวกันกับของเมื่อวานแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นของใหมยย่่เสมอ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างที่ปรากฏแก่เราเป็นของใหม่อยู่เสมอนะเพียงแต่เราไม่สังเกตเองเราก็นึกว่าเป็นของเก่าในตอนเด็กเวลาเราสวดมนต์เนี่ยนะแม้ว่ามันจะเป็นดูเหมือนเป็นเรื่องเดิมๆที่เราได้ได้อ่านหรือว่าได้สวดมาแต่ว่าถ้าเราทำด้วยใจที่เป็นปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน คือสดใหม่เสมอมันก็จะได้แง่คิดพวกเราคงคุ้นกับพุทธภาสิทธิที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจอันนี้แหะคือเหตผลว่าทำไมอริมักมีองค์แปดนะถึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความเห็นอาจรวมนึงความเชื่อด้วย ทิฏฐิคือความเป็นความเชื่อเพราะว่าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิหรือมีทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยอะไรอมันก็จะถูกต้องตามมาเรื่อยๆเหมือนกับเราถ้าเรากระดูมเม็ดแรกได้ถูกเม็ดที่สเม็ดที่สก็มีแนวโน้มที่จะถูกตามไปด้วยแต่ถ้าผิดตั้งแต่กระดูมเม็ดแรกแล้วเม็ดที่2เม็ดที่3ก็ผิด สมาธิทิเป็นตัวแรกนะเป็นเรื่องของใจแต่เป็นใจในเรื่องที่เป็นความเห็นที่จริงสมา ธ, ธินี่มีหลายระดับนะตั้งแต่เรื่องความเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในความดีเชื่อว่าความดีมีจริงเชื่อว่าทำดีแล้วได้ดีนี่ก็เป็นสมาธิอย่าเราเรียกว่าโลกิยะสมา ธ, ธิิแล้วก็สมาธิธที่สาคัญก็คือเรื่องของอริยรรสัจสีนะ่ถ้า ถ้าเข้าใจเรื่องอริยสัจสอย่างตรุปลุกโรงก็เรียกว่าเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานนะเรียกว่าจิตก็จะมุ่งไปสู่พระนิพพานไม่มีคราดไปจากนั้นได้ น, ะนี่คนเราถ้ามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกแล้วเนี่ยความคิดความดำริหรือว่ า, าสังกัปปะเนี่ยมันก็จะถูกตามไปด้วย ก็คือถ้าเราเชื่อว่าความดีเป็นสิ่งที่มีจริงเราเชื่อมันในความดีความคิดของเรามันก็จะคิดไปในทางที่ปราศจากความเบียดเบียนไม่พยาบาทนะไม่มุ่งร้ายแล้วก็ไม่ไม่เจอด้วยความโลภนะแล้วมันก็จะนําไปสู่การพูดที่ถูกต้องจากการพูดที่ถูกต้องก็จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือการประพฤติที่ถูกต้องก็คือมีศีล อันนี้ก็สำมาจตักนะแล้วก็จะนำไปสู่การทำอาชีพการงานที่ชอบจากนั้นก็จะนำไปสู่การประพฤติที่ยากขึ้นไปกว่าเดิมก็คือความเพียรขอให้สังเกตว่าความเพียรในที่นี้เนี่ยเป็นความเพียรในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกจิตนะคือว่าการพยายามทำการป้องกัน การป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นแล้วก็การจัดการกับอกุศลที่มีอยู่แล้วให้ออกไปรวมทั้งการพยายามทํากุศลธรรมอันใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทําของที่มีอยู่แล้วให้เจริญงอกงามอากุศลธรรมในที่นี้เนี่ยท่านก็เจริญไปถึงกุศลธรรมในจิตใจที่จะต้องทําให้เกิดมีขึ้นและอกุศลธรรมที่ป้องกันไม่ให้เกิดหรือว่าทําให้ ชำร ะ, ะออกไปเนี่ยก็จะเพ่งเล็งไปถึงเรื่องของจิตใ จ, จเช่นความโกรธความแคลนความหลงความความโลภพวกนี้นะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาหยุดที่แค่ข้อห้าคือสัมมาอาชีวะนะอันนี้สมมติว่าเริ่มต้นจากสมาธิที่ที่เป็นเป็นความเห็นชอบในว่าความดีมีจริงนะทำดีแล้วได้ดีเนี่ย ยังไม่ต้องไปถึงขั้นเห็นหรือเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ก็จะไล่มาเรื่อยๆนะเมื่อเมื่อมีสมาธิฐีิในขั้นต้นก็จะมีการคิดที่ไม่เป็นอกุศลมากแล้วก็จะมาพูดดีทำดีรักษาศีลมีอาชีพที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยถูกกฎหมายถูกธรรมแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจบตรงนี้ แล้วก็จะใช้ความเพียรในการทำมาหากินมากกว่าความเพียรในการทําหากินจะไม่เรียกว่าสัมมาวายมะนะยังไม่เรียกเป็นสัมมาวายมะหรือว่าจะเป็นสัมมาวายมะขั้นต้นแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นสัมมาวายมะที่ถือว่าจะเป็นตัวสําคัญในอริมมีองแปดส่วนใหญ่ก็หยุดตรงนี้แหละคือสัมมาชีวะข้อที่หแล้วก็ไม่ไปต่อแต่ว่าสําหรับผู้ที่ มีความเพียรเป็นผู้ที่มีปัญญาก็ต้องทำสัมมาวายมะข้อที่หให้เกิดขึ้นก็คือเรียกว่าเป็นจุดสตาร์สำหรับการเจริญภาวนาที่เป็นข้อที่เจดข้อที่แปดสัมมาสติสัมมาสมาธิห7เจ็ดแปดเนี่ยก็ถือเป็นเป็นธรรมะฝ่ายสมาธินะ สี่สมาธิปัญญาหเจ็ดานี่เป็นธรรมะฝ่ายสมาธิคือว่าจะเจริญสติจะเจริญสมาธิไดเนี่ยต้องมีสัมมาวายมะนะเป็นตัวการเพิ่มความเพียรเมือนก็เป็นเป็นจุดสตาร์ทถ้าไม่มีตรงนี้แล้วไอ้การเจริญสติจเจริญสมาธิที่ให้เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นจุดสำคัญมากอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจบหรือว่าก็จะมาหยุดตรงที่สัมมาชีวะแล้วก็ไม่ไปต่อละนะก็พอใจเท่านั้นว่าเออฉันเป็นคนดีแล้วนะฉันให้ทานฉันรักษาศีลฉันประกอบอาชีพที่สุดจลิตพออันนั้นยังไม่พอนะต้องไปต่อต้องระดมความเพียรความเพียรในที่นี่คือมีฉันทะ มีวิริยะมีจิตตะนะยังไม่มีวิบังสานะมีสามข้อฉันทะวิริยะจิตตะนี่ที่เราอ่านดูมี่จะมีสามข้อในสัมมาวายมะแล้วก็จะสู่สัมมาสติและสัมมาสมาธิก็เป็นเรื่องใจเริ่มต้นที่ใจคือสัมมาทิตฐิแล้วก็กวาจาแล้วก็พฤติกรรมคือศีล สัมมากัมมันตะคือสัมมาชีวานี่เป็นเรื่องสีนี้แล้วก็จะกลับมาสู่เรื่องใจเป็นวงกลมเป็นวงจรครบรอบพอดีเริ่มที่ใจแล้วก็จบลงที่ใจคือเริ่มที่สัมมาทิฏฐิแล้วก็มาจบลงที่สัมมาสติสัมมาส ม, มาธินี่ก็เรื่องใจเหนี้นมันมีองศาเนี่มันจะเป็นวัตจักรเป็นวงกลมต้องเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิระดับพื้นนก็คือเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แล้วก็ปฏิบัติเรื่องคำพูดเรื่องการกระทำให้ดีมีศีลแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติในทางจิตใจนะเรียกว่าภาวนาและสติสมาธินั่นแหละจะทำให้เกิดปัญญาซึ่งเข้าไปเสริมให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยลึกซึ้งมากขึ้นจากเดิมที่เป็นสัมมาทิฏฐิเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็<อ>กลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจในเรื่องอริยมรรค ในเรื่องอริยสัจสี่ 4, เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งพอถึงขั้นที่เรียกว่าโ อ, โอเห็นเลยว่ามันมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นในเรื่องไตร ล, ลักษณนะ์ที่ไม่ใช่เกิดจากการคิดเอาแต่เกิดจากการที่ประจักษนะ์มันก็จะเป็นอริยมะรอริยโลกุตตะสัมมาทิฏฐนะิความเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตน ที่จะยึดถือพึ่ง่าได้นะก็ทำให้เกิดการปล่อยวางวางหมดก็เป็นความหลุดพ้นนะวิมุตตินะจะมีตามมาอีกต่อจะเป็นสัมมาวิมุตตินะอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัตินะให้เราสังเกตดูเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจะในทางพศาสนาเนี่ยมันจะมันจะ เริ่มต้นที่จิตเริ่มต้นที่ใจแล้วก็มาสุดลงที่ใจจนะเป็นเป็นวงกลมครบรอบพอดีมันไม่ใช่เป็นว่าเป็นเส้นตรงนะมันเป็นมันเป็นวงกลมเป็นวงจรที่ครบรอบอันนี้เราพิจรารณาดูว่าเรามาอยู่ตรงไหนแล้วในข้ออาริมาคมีองศ8บางคนอาจจะมาได้แค่ข้อสองข้อสามบางคนก็มาข้อห้า นะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็มาจบลงที่สมาชีวะแล้วก็ไม่ไปต่อมีสัมมาวายะมะบ้างในเรื่องการทำมาหากินนะในเรื่องการประกอบอาชีพแต่ไม่ใช่สัมมาวายะมะที่เป็นไปเพื่อการภาวนาเจริญสติสมาธิสตินี่คือความระลึกได้นะระลึกได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยรวมไปถึงการที่มีมีความรู้ตัว รู้ทันตามรู้ในเรื่องกายและใจได้นะกายอนุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธมนุปัสนาเนี่ยถ้าพูดให้รวมๆง่ายๆคือการรู้กายรู้ใจนะที่แรกก็ระลึกได้ก่อนเสร็จแล้วก็รู้ตัวมันเป็นของคู่กันเวลาเราเราสวดมนต์หรือว่าฟังธรรมเนี่ย เราฟังได้สักหน่อยเราก็จะเผลอไปก็จะนึกถึงงานนึกถึงบ้านนึกถึงลูกนะนึกถึงพ่อแม่นะตอนนั้นเนี่ยเราลืมตัวเมื่อลืมตัวก็เลยไปอยู่กั บ, ก, บก็เลยไม่รับรู้ว่ากําลังได้ยินอะไรไ<ป>กําลังฟังอะไรอยู่ แต่สักพักสติเกิดขึ้นลรวลึกได้ว่าโอ้นี่เรากำลังนั่งอยู่เรากำลังฟังธรรมอยู่ความระลึกได้ตรงนี้เป็นความระลึกได้ที่พาให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันพออยู่กับปัจจุบันจิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้ตัวขึ้นเมื่อมีความรู้ตัวก็ตั้งใจฟังสิ่งที่อัตมาพูดตั้งใจฟังได้อย่างต่อเนื่อง ก็เป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นสติกับสมาธิมันสัมพันธ์กันพูดง่ายๆก็แบบนี้แหล ะ, ละก็คือว่าพอมีความรู้ตัวไม่วอกแวกเพอ้อวอกแวกเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านเมื่อไหร่หรู้รกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทาอยู่กับอารมณ์ที่กำลังสนใจอยู่ในปัจจุบันจะเป็นเสียงจะเป็นงาน จะเป็นหนังสือนังหาที่เรากําลังอ่านอยู่ก็ตามสติทําให้จิตเนี่ยกลับมารับรู้หรืออยู่กับสิ่งที่ทําได้อย่างต่อเนื่องและถ้าความต่อเนื่องเกิดขึ้นมันก็จะเกิดเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นนะสติก็เป็นปัจจัยไปสู่สมาธินะอันนี้เป็นเป็นระดับพื้นฐานเลยแต่ถ้าเป็น สัมมาสติขั้นสูงเนี่ยนะก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดเกิดขึ้นคือว่าเกิดความเกิดใจที่ไม่ยินดีไม่ยินลายที่เมื่อกี้เราสวดคือถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ไดก็คือไม่ยินดีไม่ยินลายนะรับรู้มันด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้ก็เป็นงานของสติเหมือนกันซึ่งจะใช้มากในระหว่างที่เราปฏิบัต เวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความคิดใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะไปมีปฏิกิริยากับมันถ้าเป็นความคิดที่ดีๆเช่นไปเที่ยวนึกถึงตอนที่ได้ไปเที่ยวเมืองนอกนึกไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็จะเพลินความเพลินนี่แหละเรียกว่าสมันัดคือความยินดีเพลินแล้วเป็นไงก็ลอยไปตามความคิดฝันกลางวันเป็นตุเป็นตากลืมไปเลยว่ากาลังเดินจงกรมอยู่ หรือไม่เราไป น, นึกถึงคนที่เราโกรธนึกถึงคนที่เราเกลียดนึกถึงเหตุร้ายนึกถึงความพัดพลากสูญเสียมันก็จิตก็จะรีแอคไปแบบหนึ่งมีปฏิกิริยาไปอีแบบคือไม่ชอบแล้วก็พยายามผลักออกไปแต่ความผลักนั่นแหละที่ทำให้จิตมันหลงจมเข้าไปในในอารมณ์นั้นในเรื่องนั้นเราก็เรียกว่าโทมนัดนะเป็นความยินร้ายแต่ความยินร้ายนี่อาการดูเหมือนผักมันเจอไปได้วยโทสะ แต่ก็ลงเอยเหมือ น, นกันก็คือว่าจมหายไปในอารมณ์นั้นนะเพลินเพลินในเรื่องใดก็จมหายไปในเรื่องนั้นไม่ชอบเกลียดเรื่องใดก็จมหายไปในเรื่องนั้นเหมือนกันนะเราโกรธใครเราเกลียดใครล้วก็จะขุ้นคิดถึงคนนั้นอันนี้ก็จ่อเป็นโทมนัดได้แต่ว่าถ้ามีสติเนี่ยไม่ว่าจะคิดนึกเรื่องอะไรก็ตาม ดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็เห็นมันเฉยๆรู้มันเฉยๆในใจเป็นกลางซึ่งก็จะไปคล้ายๆกับสัมมาสมาธิที่สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของอุบเบกขาใหม่ๆสัมมาสมาธิก็ทำแล้วเพลินมีมีมีปิติมีสุขนะอย่างที่เราอ่านสวนเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีปิติมันมีสุข เวลาเรามีสมาธิในเรื่องใดเนี่ยก็จะมีความเพลินมีสิทธิมีปิติมีสุขแต่พอตรงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขาเป็นความตั้งมั่นนะเป็นความตั้งมั่นที่เป็นกลางนะมันจะมจะเกื้อกันนะเอื้อเฟือกันระหว่างสัมมาสติสัมมาสมาธินะอันนี้ก็พูดเอาไวใ้ให้ให้ให้เป็นให้เป็นกรอบเพื่อเราจะได้เข้าใจในการปฏิบัตินะแต่ว่า พอปฏิบัติแล้วก็ลืมให้หมดนะสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่ได้ได้สวดมาใหเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะอยู่กับกายและใจที่จริงก็อยู่กับกายอย่างเดียวก่อนนะเวลาเดินก็ให้ให้รู้ว่าเดินการเจริญสติ ม, มันก็มีหลัก ง, ง่ายอยู่ก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่ที่ศาลาใจก็อยู่ที่ศาลาด้วยตัวเดินใจก็อยู่การเดิน นะตัวกินกําลังเคี้ยวใจก็อยู่กัออการเคี้ยวกําลังอาบน้ําอยู่ใจก็อยู่กัออการอาบน้ําล้างจานอยู่ใจก็อยู่กัการล้างจานให้หลักมันมีง่ายๆแบบนั้นให้เราสังเกตดูว่าเวลาตัวอยู่นี่ใจไม่รู้อยู่ไหนบ่อยครั้งก็เป็นอย่างนั้นกําลังล้างจานอยู่มือล้างจานอยู่แต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนนะปากก็กำลังเคี้ยวอยู่แต่ใจไม่รู้ไปไหนละ อันนี้เราไม่มีสติเรียกว่าลืมตัวนะคนเราลืมหลายอย่างลืมกุญแจลืมโทรศัพท์นะลืมลืมเบอร์โทรศัพท์เพื่อนลืมนัดนะอันนี้เรียกว่าลืมเหมือนกันแต่ว่าเป็นการลืมเรื่องนอกตัวนะลืมโทรศัพท์ลืมลืมทางนะกลับบ้านอันนี้เรียกลืมเรื่องนอกตัวแต่ว่า ที่เราจะฝึกมาเนี่ยนะเราเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จำเรื่องนอกตัวได้แต่เราจะฝึกเพื่อจำเรื่องกายเรื่องใจนะความจำของคนจำนวนมากเนี่ยอาจจะจำเรื่องนอกตัวได้ดีแต่ว่าเรื่องตัวเองเนี่ยความจำจะสั้นมากนะความจำจะสั้นมากคือ นั่งอยู่สักพักเดี๋ยวไปละไปละลืมไปแล้วว่ากำลังนั่งอยู่ลืมไปแล้วว่ากำลังสวดมนต์อยู่ลืมไปแล้ ว, ว่ากาลังฟังอยู่มันจะจไดม่จะจำได้สั้นๆนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยจะจำได้ยาวจะจำได้ดีแต่ก็ไม่แน่นะพออายุมากๆเนี่ยแม้แต่เรื่องนอกตัวก็จำได้สั้นมากมี ลูกชายของเสกสรรประเสริฐกุลแก่เล่าเขียนแก่เล่าถึงประสบการณ์ตอนหนึ่งคือยายเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนเมืองตรังปีหนึ่งก็จะมามาหาลูกสาวแล้วก็มาเยี่ยมหลานยายนี่ก็เป็นคนมีฐานนะเวลามาทีหนึ่งก็จะชวนหลานๆเนี่ยไปเลี้ยงนะอาหารเลี้ยงพัตตะการ นะกินระหว่างที่กินข้าวยายก็จะถามว่าเมื่ไงหลานมีมีเงินมีเงินใช้ไหมหลานก็จะบอกว่ามีครับนะแต่ยายก็บอกว่าไม่เป็นไรนะยายจะให้เพิ่มอีกนะเผื่อจะได้เอาไปใช้ในยามจำเป็นก็ควักเงินให้หลานเนี่ยสองหมื่นนะเตรียมมาแล้วเนี่ยว่าจะให้หลานก็ให้หลานสองหมื่น แต่แล้วก็กินอาหารต่อกินไปคุยไปสักพักห้านาทีก็ถามว่าไงหลานมีกินมีใช้ไหมมีเงินหรือเปล่าหลานก็บอกว่ามีครับยายก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ทำท่าจะควักเงินหลานก็บอกว่ายายเพิ่งให้มาเมื่อกี้นี้เองสองหมื่นยายก็บอกเออเหรอเออยายลืมไป แต่เคุยกันไปกินไปห้านาทีฉะนั้นยายก็ถามอีกหลานมีกินมีใช้หรือเปล่านะคราวนี้หลานต้องการแก้งยายหลานก็บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยครับยายยายก็เลยเปิดกระเป๋าควักเงินมาให้พอเปิดกระเป๋ายายก็ตกใจเฮ้ยเงินหายไปไหนนะเตรียมไว้เนี่ยทาไมเงินหายไปหลานก็เลยบอกว่ายายเพิ่งให้เมื่อกี้นี้เองสองหมื่น ยายเนี่ยความจำสั้นความจำสั้นนะเพิ่งให้พุทธิเดียเก็ลืมแล้วบางคนสั้นกว่านี้อีกนะนนเจอหน้าหมอหมอทักว่าชื่ออะไรอหมอแนะนาว่าชื่ออะไรนะเสร็จแล้วก็คุยกับหมอสักพักพอหมอเดินออกไ ป, ไปนอกห้องไปเข้าห้องน้ำกลับมาคนไข้จำไม่ได้ว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนาว่าหมอเนี่ยเป็น ชื่ออะไรดู๋กำลังเป็นหมอประจำตัวของคุณคือความจำของคนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะจำได้ดีความจำระยะสั้นเนี่ยจะจำได้ดีแต่ว่าพอมีปัญหาทางทางสุขภาพอาจจะแก่หรือว่าเกิดการกระทบกระเทือนทางสมองเนี่ยความจำจะสั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นกับคนทั่วไป แต่คนทั่วไปเนี่ยจะมีความจำสั้นอีกแบบนึง่งคือความจำสั้นได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเองเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องใจนะให้เรื่องนอกตัวจำได้ดีนะใครยืนินไปห้าปีสิบปียังจำได้นะแต่เรื่องตัวเองเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยความจำสั้นมากนะอย่างนั่งมาเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ เราลืมไปว่ากําลังนั่งอยู่ลืมไปว่ากําลังฟังอยู่นี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะแล้วเราสังเกตดูเวลาเราไปเดินจงกรมเนี่ยนะบางคนเดินไปได้แค่นาทีเดียวลืมไปละว่ากาลังเดินใจลอยนะมานึกอีกทีก็มารู้ตัวอีกทีก็จำเอามารู้ตัวอีกทีก็คิดไปแล้วม่รูกิจเรื่องนะ สิ่งที่เราต้องการมาปฏิบัติก็คือการพยายามที่ทำให้ความจำในเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยมันจำได้นานถึงขั้นที่เรียกว่าฟังได้ได้นานโดยที่ไม่เผลอไม่ลืมตัวหรือถึงเผลอก็จะกลับมาได้เร็วนะคนส่วนใหญ่เรื่องกายเรื่องใจจะ ความจำจะสั้นแต่ก็จะลืมนานลองสังเกตดูความจําจะสั้นในเรื่องตัวเองเรื่องกายเรื่องใจแต่ลืมนานมากเลยกว่าจะรู้ตัวใช้เวลาอย่างเราเดินจงกลมนะสร้างจังหวะเวลาเผลอไปเนี่ยมันจะเผลอไปนานทีเดียวคิดไปหลายเรื่องกว่าจะรู้ตัวว่ากําลังสร้างจังหวะอยู่ แล้วยิ่งเวลาเรากินอาหารเนี่ยก็จะชัดเจนกินอาหารรู้ตัวประเดียวเดียวไปลนะลืมไปแล้วว่ากาลังกินข้าวอยู่ตอนที่ปากกาลังเคี้ยวอยู่เนี่ยแต่ว่าลืมไปแล้วคิดไปน็น่นคิดไปนี่กว่าจะรู้ตัวอา้ากว่าจะจำได้ว่ากาลังกินข้าวอยู่นะแล้วกลับมาได้ประเดียวเดียวไปอีกแล้วลืมอีกแล้วนะแต่ถ้าเราปฏิบัตินะเราเจริญสตินเนี่ย ความจำได้ในเรื่องกายเรื่องใจนะหรือจำได้เรื่องตัวเองเนี่ยมันจะมันจะยาวขึ้นมันจะนานขึ้นและขณะเดียวกันนะความเผลอก็จะหดสั้นหดสั้นหดสั้นลงตรงทั้งทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องและผลที่เกิดขึ้นก็คือสมาธิคือความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นของจิต อันนี้ก็ให้เราอย่ให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติว่าเรากําลังทําอะไรทําเพื่ออะไรและมันอยู่ตรงไหนนะของอกระบวนการพัฒนาตนการกระบวนการพัฒนาชีวิตนะก็ค่อยๆ ค, คุยกันไปนะเรามีเวลาเจ็วันก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็มากพอที่ทําให้เราได้ได้เห็นตัวเองได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้ได้รู้จักกับคําว่าสัมมาสติดีขึ้น แล้วก็พู่กันท้นนี้กลับพระพร้อมกัน